ครึ่องชัชว่วโมงกับจิตวิทยาแบบเบาๆที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยเราทั้งสองคนค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีนะคะแล้วก็รุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจำภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะรุงยุย้ย สวัสดีครับน้องทีครัพย์สวัสดีท่านทุกฟังทุกท่านด้วยครับผมลุงขาเพิอป้ปั๊บกรกฎาคมแล้วค่ะลุงกรกฎาแล้วใช่หเดือนไปแล้วเนาะใช่ถือว่าครึ่งปีหลังแล้วนะคะใช่ครับใช่บางคนเขาจะไปโฟกัสหลายๆเรื่องค่ะลุงบางคนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหกเดือนเรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําบ้างเราใช้เวลาไปกับอะไรเราจะทํายังไงกับชีวิตหรือบางคนก็เบื่อหน่ายไปแล้วค่ะลุง ใช่บางทีก็เลือดสวยจริงๆนะครึ่งปีแรกยังไม่ได้อะไรเป็นโลเป็นไทเลยค่ะเพราะฉะนั้นจิตวิทยาวันนี้ค่ะตรงมากเลยลุงเพราะอยู่ในช่วงของครึ่งปีหลังใช่ไหมคะครเราจะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะให้ใช้ชีวิตครึ่งปีหลังอย่างไรให้มันดีกว่าเดิมลุงเออโอเคนะเป็นการสกิจเตือนนะเผื่อเผื่อเขาจะเกิดไอเดียขึ้นมา ค่ะแต่ถ้าคนใช้ชีวิตมาดีตามแพลนที่วางไว้แล้วก็ท<อ>ําอย่างไรล่ะครับมันถึงจะดีกว่าเดิมหรือว่ามีความสุขมากกว่าเดิมก็ต้องฟัง เ, เราทั้งสองคนเลยนะคะถามลุงยุย<ช>้ยก่อนดีกว่าว่าลุงยุ้ยเนี่ยส่วนใหญ่ลุงยุ้ยจะมีการวางแผนในการใช้ชีวิตตั้งแต่ต้นปีไหมคะก็มีนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยพอดีเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับสถานการณ์หรือว่าภาระต่างๆมันค่อนข้างที่จะอยู่ตัวค่ะ นั่นหมายความว่าเอ่อเทอมนี้นะจะต้องสอนอะไรยังไงถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสอนก็จะเรียนแผนไว้เลยว่าจะต้องดูว่าสอนใครห้องไหนจะทำ powerpoint ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแผนของการทํางานแล้วทําแผนในการใช้ชีวิตของลุงนะคะมีไหมคะแผนในการใช้ชีวิตจะไปเที่ยวเมื่อไรปิดเทอมไหมอะไรอย่างนี้ไปญี่ปุ่นอีกไหมเปลียนเลยกำลังจะบอกคือถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าลูกชายบอกว่า ก็ปีนี้เราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันสักครั้งหนึ่งพออว่างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราเองก็ต้องวางแผนให้เขาว่าให้ว่างไว้ส่วนลูกก็จะวางแผนว่าจะซื้อสัวยังไงจะไปที่ไหนอะไรใช้เวลาเป็นครึ่งปีนะกว่าจะกว่าจะวางแผนได้เนี่ยออืก็ลุงจะมีในแผนการทํางานแผนการเที่ยวแผนการใช้ชีวิตยังมีไหมคะหรือว่าการใช้ชีวิตก็ เช้าถึงเย็นอยู่ที่ทำงานเย็นกลับบ้านไปทำครัวลุงยุ้ยาไปทำกับข้าวอย่างอย่างยแต่ตอนเย็นก็จะมีตอนที่เราต้องไปหาหมอเช่มรซึ่งเราก็จะมีแพลนอยู่แล้วว่าหมอจะนั้นเราหมอต้องนัดสามคนนั้น สามคนนี้ก็คือต้องนัดไม่ซ้ํ า, ากัน<า>นะคะังหวะ <c oughs> ใช่ไม่ซ้ำกันเขาก็ต้องไปเนี่ยคือแผนของตัวเองอันนี้ก็คือแผนอาจจะอยู่ในช่วงของอายุอาจจะเยอะประมาณนึงต้องมีแผนในการหาหมอ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็มีแผนอะไรที่ลุงอยากทําแล้วยังไม่ได้ทํำไหมคะแผนที่อยากทําตอนเนี้นะเรคือเป็นแผนที่หลังกเกษียณนะ่ะค่ะนะครับซึ่งซึ่งก็ยังยังนึก นึกนึกอยู่นึกอยู่เนี่ยมันก็เยอะไงมันยังไม่สามารถที่จะโฟกัสลงไปจริงๆเลยว่าเราต้องการอะไรแน่ะนะครับจริงๆแล้วคนวเราควรค่ะยกตัวอย่างยังไงคะลุงยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติเกิดอันนี้ขอเอาเรื่องเรื่องครอบครัวตัวเองวันนี้นึงสมมุติเกิดลูกชายแต่งงานแล้วมีลูกอย่างเงี้ยก็คือคงจะต้องใช้วิธีการทําอะไรครับ เออจะเลี้ยงลูกหลานเรายังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องเอามาให้ลุงกับแน่นอนครับอันนี้บอกได้เลยลุงมีลูกคนเดียวใช่ไหมคะมีลูกคนเดียวครับอืมนอกจากแผนของตัวเองนะคะลุงมีวางแผนให้ลูกไหมคะหรือว่าให้เขาวางเองเออไม่ค่อยวางแผนให้นะครับเพราะ <c oughs> ว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวเนาะส <c oughs> ่วนตัวคิดว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน เขาก็เป็นเจ้าชีวิตของเขาเท่านั้นเขาโตพอละสามสิบกว่าละขาเขาหน่าจะรู้ว่าน่าจะรู้ว่าเขาควรจะทําอะไรไม่ทําอะไรอืมเห็นไหมเขาคุณผู้ฟังที่เราพูดคุยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตลุงยุ้ย ก, ก็จริง mm hmm. แต่ว่าเห็นไหมเขาว่าลุงก็มีแผนเยอะมากแผนสําหรับตัวเอง mm hmm. แผนสําหรับทํางานแผนสําหรับเที่ยวแผนสุขภาพอืแผนในอนาคตสําหรับลูกหลานคือขออนุถามได้บ้างได้ไหมค่ะ และของน้องทีล่ะแผนของที่ <c oughs> แผนของที่อาจจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของวัยทำงานใช่ไหมคะ <c oughs> แผนในการทำงานแผนในการออกกำลังกายที่อาจจะมีแผนนี้ <c oughs> อยู่ในแผนในชีวิตของทีด้วยนะคะแล้วแผนอื่นๆอ่ะ ดูแลครอบครัวยังไงให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูแลคุณพ่คุแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอันนี้ก็เป็นแผนหนึ่งนะคะแต่สำหรับว่าแผนแผนสำหรับความรักอาจจะเป็นคนไม่มีแผนอาแผงานอันนี้ยังไม่มีแผนนะอาจจะยังไม่มีแผนค่ะลุงอาจจะต้องมาเริ่มคิดในช่วงของครึ่งปีหลังนี่แหละลุงโอเคครับลุงข้อดีของการมีแผนนี่มันมีอะไรบ้างคะ ข้อดีของการมีแผนในชีวิตเนี่ยนะครับอันแรกเลยคือเราสามารถลำดับความสําคัญของอของสิ่งที่เราต้องทําได้ค่ะนะครับถ้าบอกว่าอันไหนควรทําก่อนทําหลังถ้าเราวางแผนเอาไว้มันจะไม่สเปสรยะสปะค่ะนะครับอันที่สองก็คือพอเราวางแผนไว้นั้นเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะว่าเป้าหมายที่เราจะทําเนี่ยมันมันมันชัดเจนไหมเราจะทําตรงนี้เวลานี้ วัตถุประสงค์เพื่ออะไรอืมนะครับและอันสุดท้ายก็คือพยายามทําให้ตรงตามเป้าหมายจะต้องไม่ผัดวันประกันพรุง่งค่ะคือถ้ามีแผนเนี่ยรเราจะประสบความสําเร็จเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราตั้งเป้าเวล้าทําตามเป้าหมายที่ลุงบอกระยะเวลามันอาจจะเร็วขึ้นนะคะคแล้วคนนี้เรามีเรื่องอะไรไหมคะที่เราไม่จําเป็นต้องทําตามแผนลุงม่ไม่จําเป็นต้องเป็นแผนก็ได้ความรักอะ เหนทีที่ไม่มีแผนที่ไม่มีแผนแต่ก็แต่ก็แอบคิดไว้ในใจไหมอ่ะว่าว่ายังไงเขาถ้าคุจะมีกับเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีปกตินะคะอ่าที่ที่ทั้งทีถามบอกว่าอะไรบ้างไหมที่ไม่ต้องมีแผนเนี่ยคุณมองว่าทุกเสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กเล็กน้อยๆถ้าเราคิดเป็นแผนสันิดนึงมันก็จะมันก็จะคล่องตัวนะ ยตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเช้านี้จะทานอะไรค่ะนไหครับต้องตื่นขึ้นมาปุ๊บอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เช้านี้ตื่นมาปุ๊บต้อง ท, ทานข้าวแล้วต้องคิดแล้วจะทานข้าวต้องคิดแล้วจะทําอะไรจะทานอะไรค่ะแต่ถ้าไม่มีแผนก็คือเข้าไปดูในครัวเปิดตู้เย็นดูอะไรมีก็เอามากินอื ม, มีทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องกินก็ควรจะ วางแผนมันมันอาจจะไม่ถึงกับแผนใช่ไหมคะลุงแต่มันต้องคิดมันต้องมีสติมีอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องมีแผนเอาไว้นิดหนึ่งมันต้องมีคิดอยู่ในหัวอยู่ในสมองนะคะว่าเราจะทําอะไรยังไงแม้แต่เรื่องราวของความรักก็เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราแต่งงานเราจะมีลูกอายุเท่าไหร่ตอนเราอายุเท่าไหร่ลูกเราจะบวชตอนที่เรายังไหวไหมเออแล้วเขาจะเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงเขาสะกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นแผนได้หมด ค่ะเพราะฉะนั้นมีแผนไว้หรือว่ามีมีวางกรอบวิธีคิดไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณผู้ฟังใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันค่ะลุงแล้วกลับมาต่อกันนะคะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราดีกว่าเดิมคะ่ะ Dawn, I w a y m up and l y o k at the s เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าเป็นขึ้นมามองที่ไลายฟ้าแล้วเคา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 จิตวิทยา ก, กับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ครึ่งปีหลังเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตดีกว่าเดิมนะคะวันนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะลุงลุงขาเราจะมีวิธีการจัดการตารางชีวิตในครึ่งปีหลังอย่างไรบ้างละคะให้มันดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาค่ะอันแรกเลยนะครับที่ลุงคิดได้คือ ไอ้ครึ่งปีแรกเนี่ยเราเอามาเคลียร์ก่อนว่าอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้ทำทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยล่ะคะลุงเคลียร์งานเก่าครับเคลียร์งานเก่าเข้าใจั้มอืมค่ะเออเคลียร์งานเก่าซะก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ค้างค้างนะครับแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นครึ่งปีหลังใหม่ค่ะนะครับเพราะนั้นอันแรกเลยเนี่ยแต่ถ้าคุณผู้ฟังไม่มีงานเก่าเลยก็เริ่มต้นงานใหม่ตั้งแต่ หนึ่งสองสามสี่ที่ตัวเองคิดเอาไว้ได้เลยค่ะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองก็คือจัดตารางงานที่ต้องทําก่อนหลังเห็นความสําคัญก่อนหลังอืมว่าัอนนี้เราจะทํายังไงกับปัจจุบันนี้งานที่มันเข้ามาอย่างนี้นะค่ะลุงบางทีก็เข้ามายเยอะแยะมากมายหลายเรื่องหลายราวจัดความสำคัญค่ะงานเร่งด่วนซึ่งบางทีเราต้องทําก่อนก่อนที่จะทำนะครับค่ะ ก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนคะนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้เราไม่ต้องอย่างที่บอกเป็นคนผัดวันประกันพรุง่งนั้นเวลานี้วันนี้แล้วก็มีหมายเหตุเลยว่าต้องทําคำนะครับขนาะเดียวกันอันที่สี่นะครับเราต้องทํางานอย่างรอบคอบและมีแบบแผนเนา ะ, ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ปากเอาไว้เลยว่าบางทีเราต้องมีแผนสํารองไว้เหมือนกันนะครับ บทีเราคิดจะทำไอ้นี่แล้วมันมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันอาจจะต้องมีแผนสํารองเอาไว้คะนะครับถ้าเรายังตามหาสิ่งที่เราชอบแรงมานดานใจอะไรที่เรารักที่จะทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราก็ยังอยู่ในแพผนได้ไหมคะครึ่งปีหลังอยู่ได้ครับอยู่ได้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีอะไรที่เป็นแพลนที่ไม่ได้ไม่ได้เขียนเอาไว้เนาะแล้วมันก็ว๊ดเข้ามาไงในเรื่องของนะอย่างเช่นค่ะในในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่น ตีก็คิดว่าช่วงนี้ตีไม่มีตีจะทํางานยาวๆแต่พอเอิร์นเพื่อนพี่ทํางานอ่ะบอกว่าเออช่วงเนี้ยไอ้ตั๋วเครื่องบินมันถูกนะเราไปเวียด น, นามกันไหมไปค่ะและ้วตีก็ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือแพลนที่มันฝุดขึ้นมาก่อนนะครับฝุดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถ้าเรามีเวลาพอเราเคลียร์ปัญหาของเราได้เราก็ไปกับเพื่อนได้ค่ะ ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่เราเคลียร์ปัญหาตั้งแต่แรกอย่างที่ลุงบอกนะเราไม่มีอะไรค้างนี่เราก็สามารถไปได้นะคะเรื่องของการออกกำลังกายก็เหมือนกันนะคะลุงบางทีก็ครึ่งปีแรกอาจจะยังไม่มีแผนด้วยความที่ทีสายเฮลตี้ครึ่งปีหลังก็อยากจะให้มีแผนออกกำลังกายอยากให้ลุงมีแผนในการออกกำลังกายของลุงบ้างมีไหมคะมีไหมคะลุงเออผมถึงนี้อยากเล่าให้ฟังนิดนึง คือตอนที่รู้ว่ายิมบอกว่าต้องไปญี่ปุ่นเนาะลูกชายอะนะคะค่ะลูกชายบอกว่าต้องไปญี่ปุ่นนะแล้วลูวางแผนตัวเองเลยที่จะต้องเดินไง<ช>เดินทุกวันวันละประมาณสี่สิบนาทีในมหาลัยค่ ะ, คะเดินอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเพื่อที่จะเอาร่างกายตรงนี้ไปใช้กับที่ไปญี่ปุ่นเพราะที่<ม>ไปญี่ปุ่นต้องเดินเยอะแน่เห็นไหมครับอย่างนี้ก็เป็นแผนเหมือนกัน แต่ถึงไม่ได้ไปญี่ปุ่นลุงก็น่าจะมีแผนอมอดกกร่างกา ย, ย, ดดย <laughs> ที่พยายามที่พยายามบอกว่าลุงมีแผนหมดทุกอย่างละลุงก็พูดคุยคุณผู้ฟังฟังมาละแต่ว่าทีก็พยายามจะบอกลุงว่าลุงยังขาดแผนออกกําลังกายในชีวิตคนไทยนะคะคแล้วก็บางเรื่องถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจคะ่ะลุงบางทีเราอาจจะคแค่ขคนนู้นคนนี้มาก เขาเรียกอะไใส่ใจกับคนนั้นคนนี้เอาคิดเรื่องนู่นนี่นั่นมากไปหมดครึ่งปีหลังถ้าอยากมีความสุขบางทีอาจจะต้องทิ้งทิ้งสิ่งพวกนี้ออกไปบ้างถูกครับใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้กลับมาดูแลตัวเองน ะ, ะแต่เราพร้อมที่จะดูแลคนอื่นออืสเราอยากให้ท่านทุกท่านเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลจิตใจตัวเองสักนิดนึงว่าจิตใจของเรายังเข้มแข็งอยู่หรือเปล่ายังดีอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่ดีนะก็ ส่งเสริมซะให้มันดีก่อนโดยเฉพาะูแลคนโดยเฉพาะครึ่งปีหลังในเรื่องของครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยากให้มีเวลาดูแลเขาพวกนี้บ้างอาจจะมุ่งมั่นไงลุงปีใหม่มางานเยอะต่างหน้ต่างๆทํางานไม่ได้ใส่ใจกับความรักความอบอุ่นในครอบครัวอย่างนี้นะคะอืครึ่งปีละเียร์งานละก็ต้องมีเวลาให้พวกเขาด้วยถูกต้องครับคุณลูกก็อย่างน้องยิมใช่ไหมคะต้องมีแผนที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวบ้างนะคะ อืมทีก็วันหยุดทีก็เพิ่งไปมาเลยค่ะพาคุณแม่ไปทําบุญไหว้พระใช่ไหมไปทําบุญไปที่<ม>เนี่ยปุ๊บก็ต้องพาไปเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นแผนของคุณลูกที่อยากจะให้ทุกคนมีไว้นะคะช่วงเวลาไหนที่ว่างอะไรก็ลองทํารุ่งค่ะถ้าเราจัดตารางชีวิตทุกอย่างแล้วทาตามแผน ท, <บ>ทุกอย่างมันผิดพลาดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังนะค่ะเราจะท<บ>ําอย่างไรได้บ้า ง, <บ>างก็อยากไปเสีย อ, อกเสียใจมันมากเนาะ เพราะว่าทุกอย่างมันมีมันมีพลาดมันมีไม่สมหวังเหมือนกันแต่เราพยายามพยายามทาถ้ามันดีที่สุดแล้วก็แค่นั้นพอแต่ถ้ายังไม่พยายามเลยมันเสียใจมันเสียใจมันเศร้าเหรอมันตั้งใจแต่มันมันไม่ไม่ได้อย่างนี้ยคะต้องกลับมาทบทวนอะนะครับว่าว่าที่เราที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับเราเรา ผิดพลาดตรงไหนค่ะแล้วเราอยากที่จะให้อยากที่จะให้ให้กำลังใจตัวเองยังไงได้บ้างค่ะนะครับการให้กำลังใจเนี่ยลุงอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปหวังคนอื่นเอาเองเป็นหลักก่อนคือถ้าเรามีกำลังใจนะคะสำหรับตัวเราเองเราก็จะมีกำลังใจในการให้กำลังใจคนอื่นใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็จะมีพลังที่จะทำตามแผนที่เราวางไว้ ถ้าครึ่งปีแรกยังไม่ได้ทําอะไรครึ่งปีหลังก็อยากให้คุณผู้ฟังใช้ชีวิตให้มันมีความสุขมากขึ้นนะคะทำอย่างไรก็ได้สามคำค่ะลุงดีกว่าเดิมเนาะยังไงก็ต้องดีกว่าเดิมนะคะในทุกๆวันอ่ะลุงขาให้กําลังใจสําหรับคนที่มีปัญหาชีวิตอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะนะก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนมีปัญหาเนาะเพียงแต่ว่าใครอยากคิดว่าปัญหาของเราใหญ่จนเกินไปทุกคนมีปัญหาหมดครับขอให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ ค่อยๆแก้เงนไปมีสตินะครับตรึกตรองดูว่าปัญหาเหล่านั้นมันเป็นยังไงเรามีวิธีแก้ยังไงบ้างถ้าแก้ไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือคนรอบข้างญาติพี่น้องนะครับนะคะก็ไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้หมดหวังเลยนะคะลุงถูกต้องครับไม่ได้อยากให้หมดหวังบางทีทําอะไรมันก็ ไม่มีหรอกค่ะซึ่งมันจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกอย่างครับมันก็มีเล็กๆน้อยๆที่บานเจ็บเลยครับค <laughs> ่ะแต่ถ้าเรามีแผนสํารองอย่างที่ลุงบอกใช่ไหมคะคือเราอาจจะทําอย่างที่เราคิดแล้วมันผิดเราลองใช้แผนนี้ดูผลมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ว่ามันก็ได้เดินมาสักครึ่งทางก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะลุงถือว่าถือว่าถือว่าดีครับดีกว่านิ่งเฉยนะครับค่ะ ก็เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในเรื่องของเครื่องบีหลังแบบนี้ค่ะถ้าใครกำลังอมองหาความรักอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะลุงอาจจะอ เ, เอามานะบรรจุเป็นแผนได้ละถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จ <c oughs> แต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นค้นหาเนาะนะ เ, ปนเป็นตามเ ป, เป็นตามจังหวะชีวิตของมันก็แล้วกันถ้าไปเรื่องของความรักก็ไม่ได้อยากให้ตามห า, าหรือว่า มุ่งมันตั้งใจจนเกินไปนะคะเอาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆดีกว่านะคะลุงโอเคูต้องหมดเวลาลงแล้วค่ะลุง <laughs> กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่คะ่ะในทุกๆวันศุกร์เวลาเท่าไหร่คะลุงตีสี่ครึ่งถึงตีห้าลุงตีส <laughs> ครึง <Okay. S 2> ่งถึงตีห้าโอเคค่งชมงเต็มๆค่ะ อ๋อลุงตื่นมาป้๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาจาัดรายการกับ t ีตีครึ่งถึงตีหนะคะก็อขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะลุงยี้ยนัทพงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรม